มากกว่าคนแต่ก่อนผู้มาใหม่ก็อาจจะยังไม่ทราบว่าทุกวันที่เราเดินมีผู้เอาใจช่วยแลคอยติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่ทุกวันหรืออาจจะทุกช่วงก็ได้ เพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีการสา่งข่าวไปยังสถานีวิทยุชุมชนคนน้ำาลังป่าทาวซึ่งที่ถ้ามาไฟบ่ายนี้ละหรือเที่ยงนี้เราอาจจะได้ไปเห็นที่ทำการสถานีวิทยุนั้นคนบนหลังเขาก็จะรับทราบถึงเรื่องราวของเราอยู่ทุกช่วง แล้วก็คอยเป็นกำลังใจแต่ไม่ใช่เฉพาะคนบนหลังข่าวหรือว่าจ้าหว้ใกล้เคียงที่อยู่ในรัศมีของวิทยุชุมชนคนที่อื่นในต่างประเทศอาจจะไปถึงโน่นเลยยุโรปแล้วก็อเมริกาก็รับรู้ข่าวเขาวพวกเราผ่านทาง Facebook นะตอนนี้มีการส่งข่าวทาง Facebook แลวเราไม่ได้ส่งฝ่ายเดียวนะเขาก็ส่ง กำลังใจมาให้กับพวกเราด้วยนะถ้าใครกลับไปแล้วนะลองไปเปิด Facebook หรือแแ บ, บเข้าไปนะที่ธรรมยรานะก็จะมีเรื่องราวนะกลังใจเมื่อวานนี้ก็มีคนนะเพื่อนเราเาที่หลายคนคงไม่รู้จักหรอกนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นผู้แปลกหน้าเพราะว่าธรรมยรานี้ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่วิธีเพิ่งรู้จัก เขก็เขียนนะรอนมาเป็นกำลังใจแล้วก็อาจจะช่วยเป็นกำลังความคิดให้กับพวกเราด้วยเป็นง่ายคิดอาจจะอ่านให้ฟังนะฝึกทุกฝึกทนฝึกฝนจิตเพียงเส้วนิดในชีวิตที่ยากเข็นเกิดเป็นคนใครจะพ้นทุกลําเค็นทุกให้เป็น ทุกให้สู้ให้รู้เอาทุกเป็นทีมเป็นทุกที่สุขนับมีเพื่อนรักมากมายอายใครเขาชีวิตจริงทุกลําพังยังรอเรารู้จักเจ้าในวันนี้โชคดีจริงฮะเขเขียนว่าทุกเป็นทีมนะเป็นทุกที่สุขนับเนะี่ยคือคนเราถ้าทุกคนเดียวนี่มันหน้าดำขึ้นเครียดแต่เวลาทุกเป็นทีมเนี่ย อย่างน้อยเราก็ดีใจที่คนหนึ่งก็ทุกเหมือนเรานะแล้วก็เาก็เหมือนกับคนที่กรุงเทพเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงเมื่อได้ฟังจอสอร้อยเพราะเห็นว่าคนหนึ่งเ้าก็ลดเต็นเหมือนเราอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่พอเรารู้ว่ามันมีมคนที่ร่วมทุกข์กับเราเนี่ยจะเกิดความสุขใกล้ชิดแล้วก็กลมเกลียวกันมากขึ้นพวกเราที่เคย ไปค่ายอาสาพัฒนานี่พอจบค่ายมาแล้วเนี่ยจะรักกันมากนะโดยทีมไมนี่ก็เคยไปเข้าค่ายที่ขนแก่นที่สีชมพูเป็นค่ายที่โหดมากเมื่อปีหนึ่งหกหลายคนยังไม่เกิดสมัยนั้นชน บ, บทไทยเรียกว่ากันดาลจริงๆ ที่อยู่รุ่นเดียวกันธรามาจะนึกถึงเรื่องหนังเรื่องน้องมาวอ์นะน้องมาวอหรือว่าอคือสภาพของหมู่บ้านี้ยากจนกันดานแม้แต่น้ำฝนก็ยังหาน้อยต้องใช้น้ำบอ่อน้ำสร้างเรือกน้ำสร้างคือบอ่อตามทุ่งนาซึ่งมันสีเหมือนกับเวลาเรากินน้ำกินนมนะนะกินนมเสร็จแล้วก็ แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปน้ำมันจะขุนข่นๆเขาคาอย่างนั้นแหละก็กวายจะกว่าจะทำใจให้กินน้ำอย่างนี้ได้ก็หลายวันแต่ว่ากินไปแล้วนี่มันก็แทบเหมือนกันนะมันมีรสชาติของมันจะอาบน้ำก็ต้องไปอาบเดินกันประมาณครึ่งกิโลหรือเกือบกิโลแล้วต้องขนน้ำมาจากบอ่อที่อยู่ไกลแดก็ร้อน อยู่ค่ายสามอาทิตย์นะทะเลาะกันอยู่บ้างโดยทะเลาะกันเรื่องแย่งเนื้อแย่งไก่กันนี่แหละเพราะว่าอาหารมันมีแต่เลือกวิญญาณหมูนะมีวิญญาณหมูวิญญาณไก่เป็นอาหารประจําแต่ว่าสุดท้ายก็รักกันทุกวันนี้ก็ยังคบหากันอยู่นะแล้วก็นัดกันไปเยี่ยมหมู่บ้านที่เคยไปเที่ยวค่ายล่าสุดก็เพิ่งไปเมื่อ สีปีก่อนก็ไปอยู่เสมอเพราะว่ามันมีความผูกพันอันนี้เพราะว่าเราทุกเป็นทีมเราทุกเป็นทีมก็เลยมีความรับความกลมเกลียวกันหลายคนที่เดินธรรมยาราก็จะรู้สึกอย่างนี้แล้วว่าเมื่อมีเดินธรรมยตราก็อยากจะกลับมาเยี่ยมเยือนอีกเพราะมีความผูกพันเนี่เขาที่เขาพูดมานี่ก็ยังมีน่าสนใจหลายอย่างนะ บอกว่าเกิดเป็นคนใครจะพ้นทุกข์ลาเคินทุกให้เป็นทุกให้สู้ให้รู้เอาทุกให้เป็นนะทุกให้เป็นหมายความว่ายังไงนะถ้าพูดอย่างสั้นๆตามสมมติฐนของหลวงพ่อคําเขียนก็คือว่าทุกอย่างผูร้รู้นะไม่ใช่ทุกอย่างผู้เป็นถ้าทุกอย่างผู้เป็นนี่ก็ แสดงว่าทุกข์ไม่เป็นทุกอย่างผู้รู้ก็คือว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์โดยไม่เป็นผู้ทุกข์หรือโดยไม่ทุกข์ไปกับมันส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นทุกข์กันเท่าไหร่นะพอเกิดปุ๊บเราก็เป็นมันเลยเป็นผู้ทุกข์นะเกิดความรู้สึกว่ากูทุกข์กูทุกข์กูเจ็บกูปวดแทนที่จะเห็นว่าเออมันเป็นกายที่ปวดมันเป็น เท้าที่ปวดเราไม่ค่อยเห็นกันอย่างนั้นแต่ถ้าเราเห็นเราเห็นเนี่ยความทุกข์มันก็จะเบาลงมันก็เป็นเรื่องของกายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรานะมันมีเราเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะหรือมันมีมันมีหรือมันมีกูเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะแต่ถ้าไม่มีกูไม่มีเรามันก็มีแต่กายที่ทุกข์ มีแต่เท้าที่ทุกข์นั่นจึงก็เป็นเรื่องของกายไปไม่ใช่ไม่ใช่เกาไม่เอไม่ใช่เราไม่ใช่กูตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยเจริญสติหรือว่าเจริญมาแผ่ว แ, แต่ก็เป็นโอกาสดีที่เราฝึกได้ในที่นี้เพราะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยยังไงมันก็หนีทุกข์ไม่พ้น เขาคิดว่าเกิดเป็นคนใครจะพ้นทุกลำเค้นไม่มีใครที่จะจะหนีหนีทุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต้องเตรียมใจต้องพร้อมที่จะพร้อมที่จะทุกให้เป็นอะไรที่เราหนีไม่ได้เราต้องเตรียมใจรับมันและถ้าดีก็คือว่าเอามาเป็นเพื่อนซะเลยศัตรูเนี่ยถ้าเอาชนะไม่ได้นี่ต้อง เอามาเป็นเพื่อนนะเอามาเป็นเพื่อนความทุกข์นี่เราก็ต้องรู้จักเป็นเพื่อนคือสามารถจะอยู่ร่วมกันได้หรือสามารถจะเอาเขามาใชใ้เป็นประโยชน์เหมือนกับครูก็ได้เอาทุกข์มาเป็นครูใครที่สามารถจะเอาทุกข์มาเป็นครูได้อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เป็นความทุกข์นี้ก็สามารถจะทำให้เราเข้มแข็งนะ หรือยิ่งกว่า น, นั้นคือทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องรู้จักทุกข์ถ้าเรารู้จักทุกข์แล้วมันก็ จ, กจะพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์ไม่มีทางที่เราจะเกิดปัญญาพ่าใจให้พ้นทุกข์ได้เลยแล้วเราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องเจอทุกข์บบ่อย เหมือนกับเราเมันก็นเราเล่นฟุตบอล น, นนะทีมมันมีทีมหนึ่งที่เก่งมากแกร่งมากวิธีที่เราจะเอาชนะทีมนี้ได้ก็คือต้องเล่นกับเขาบ่อยๆเล่นบ่อยๆจนรู้ทางกันทางแล้วก็รู้จุดอ่อนของเขาแล้วความทุกเนี่ยมันไม่ว่าจะมีจุดแข็งแค่ไหนก็ต้องมีจุดอ่อนนะที่เราสามารถจะรู้ได้ เราเราสามารถจะรู้ทางกันได้แลนะเมื่อเรารู้ทางแล้วนะเราก็สามารถจะเอาชนะอันนี้ เ, นเป็นเรื่องที่เเป็นรื่่องทีต้องใช้ปัญญาใหม่ๆก็ต้องยอมแพ้นะสู้เขาไม่ได้ก็แพ้ไปแต่ไม่ได้แพ้แล้วก็ไม่ได้คร่ำครวญแต่ว่ามาใครค่ครวญ้วใคร่ครวญว่าแพ้เพราะอะไร กระทั้งรู้ว่าอ๋อเปเพราะเรามีจุดอ่อนอย่างนี้แล้วก็ใคร่ครวญจนเห็นจุดอ่อนของเขาด้วยนะความทุกข์มันก็มีจุดอ่อนนะมันมีจุดอ่อนถ้าเรารู้จักจุดอ่อนนี้เนี่ยเราก็จัดการเป็นนายความทุกข์ไม่ใช่เป็นทาสของความทุกข์อารมณ์ต้องกับเขียนชอบเปลี่ยนเหมือนกับว่ามันกระชางเนี่ย หรือควายเนี่ยตัวมันใหญ่แรงมันเยอะมากมนุษย์เราเนี่ยสู้ไม่ได้เลยถ้าพูดถึงพลังกาลังแต่ทำไมมนุษย์เราสามารถที่จะล่ามควายได้นะทำไมเราถึงสามารถที่จะควบคุมช้างช้างมันยอมให้เราขึ้นไปอยู่บนหัวอยู่บนตัวอยู่บนหลังแล้วก็สามารถจะควบคุมมันได้ ไฟก็มีจุดอ่อนตรงเนี่ยตรงจมูกที่เราสนตะภายเนี่ยจุดอ่อนอยู่ตรงนั้นถ้าถ้าเอาเชื่อกสนตะภายได้มันก็อยู่ในอำนาจของเรานะช้างก็เหมือนกันก็มีจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เรามันน่า ก, กลัวเนี่ยมันมีจุดอ่อนความทุกข์นี่ก็มีจุดอ่อนนะจุดอ่อนอยู่ที่ไหนจุดอ่อนอยู่ที่ตรงที่ว่า ถ้าเรารู้ทุกเมื่อไหร่มันก็หมดพิษสงทันทีมันพ่ายแพ้ต่อต่ออาการรู้นะมันทุกข์โอ้ยเรากัวแต่พอเรารู้ทุกปุก๊บคือมีสติรู้นะพอมีสติรู้มันก็โจรที่มันจะเข้าบ้านพอเราเห็นมันหรือเจ้าบ้านเห็นเนี่ยมันก็หนีกระเจิงหรือว่ามันก็อ่อนปวกเปีื่อนลงไปแตนะ่ความทุกข์นี่มันมีจุดอ่อนตรงนี้นะ วันนี้เราก็ถือโอกาสนี้เป็นการฝึกสติฝึกจิตคือเหตุที่ธรรมญาตานี่เราเดินหน้าเข้าหาทุกขนะ์ธรรมญาตาในแง่านึ่ก็แปลว่าญาตราเข้าหาธรรมแต่จะญาตราเข้าหาธรรมได้มันต้องเดินหน้าเข้าหาทุกข์ด้วยเพราะว่าในทุกข์นั้นมันมีธรรมที่รอการค้นพบจากเรา ในทุกก็มีความสุขดินนะอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าทุกเป็นทีแล้วมันก็สุขถึงแม้จะลำบากจะนอนกลางวัน ก, กลางสายก็กลับสุขแล้วก็จดจำไม่ลืมผ่านไปสิบปียี่สิบปีเวลานึกถึงวันนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะยิ้มกับประสบการณ์ในวันนี้ว่าโอ้มันลำบากเหลือเกินแต่มันก็มีความหอมหวานของมันที่ นึกถึงทีไรก็อดยิ้มไม่ได้อดมีความสุขอดปิติไม่ได้ว่าเราผ่านมันได้นะเพราะฉถ้าพวกเรานี่จะ ก, กลัวทุกนะทุกไม่ได้มีไว้คร่าครวญนะหรือโวยวายทุกมีไว้ใครครวนทุกมีไว้เพื่อทําให้เราเข้มแข็งแต่จะทำอย่างนั้นได้ต้องมีสติโดยเพราะการหมั่นรู้ใจดูใจของเรา คนเรานี่เรามักจะมองออกไปนอกตัวซึ่งก็จำเป็นเพราะความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันมักจะมาจากสิ่งภายนอกธรรมชาติก็เลยให้อายตนะมาถึงห้าอย่างเพื่อให้เราเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายเช่นตาหูจมูกลิ้นกายกายสัมผัสแต่ถ้าเราแต่ขณะเดีวยวกันมันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกัน ที่ทำให้เราเนี่ยเกลอได้มีเรื่องเล่าว่ามีหัวขโมยกับเศรษฐีบังเอิญต้องมานอนพักค้างแรมที่โรงตรมเดียวกันอยู่หลายวันเข้าใจว่าไปงานจาริกบุญนะแล้วก็ไม่มีที่พักก็เลยต้องมานอนอยู่ในห้องเดียวกันหัวขโมยนี่ก็เลงเลงที่จะเอาทรัพย์จาก เศรษฐีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเย็นเนี่ยเมื่อถึงเวลาอาหารหัวขโมยเนี่ยก็จะบอกเศรษฐีว่าลงไปกินอาหารก่อนนะผมยังไม่ว่าผมต้องไปอาบน้ําก่อนเศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรก็เดินลงไปกินอาหารพอเศรษฐีลงไปหัวขโมยก็จะออกมาจากห้องน้ำแล้วก็เริ่มค้นของค้น ค้นกระเป๋าค้นเตียงนะใต้หมอนใต้เตียงของเศรษฐีเพราะเชิญเชหน้าไว้ต้องมีเงินอยู่เพราะเศรษฐีเนี่ยใส่ชุดที่ว่าลำลองลงไปไม่น่าจะพบเงินไปได้แต่ไม่เจอเงินไม่เจอกระเป๋าวันรุ่ขึ้นก็ทำอีกใช้อุบายเดียวกันเศรษฐีก็ว่าง่ายก็ลงไปโจรก็ามาค้นของ คนเตียงคนกระเป๋าก็ไม่เจอทํานี่อยู่สามวันไม่เจอเงินก็เลยกลัดกลุ้มใจว่าเป็นไปได้อย่างไรเศรษฐีไม่ได้เอาเงินลงไปนี่หรือว่าเขาเอาลงพอลงไปหรือเขาไม่มีวิธีซ่อนเงินก็เลยถามเศรษฐีว่าบอกทีเถอะนะว่าเอาเงินไปซ่อนไม่ไี้ไหมแล้วก็สารภาพว่าตัวเองเป็นโจ ข, ขโมยอยากจะรู้ เศรษฐีก็เฉลยว่าก็ไม่ได้ซ่อนที่ไหนหรอกก็เอากระเป๋าเนี่ยเอาไว้ใต้หมอนของคุณนั่นแหละนะที่คุณเข้าห้องน้ำเนี่ยฉันก็เอากระเป๋าฉันก็เอาเงินกระเป๋าเงินนี่แหละซ่อนไว้เอาไว้ใต้หมอนของคุณโจรเนี่ยขโขกมยมันค้นทุ ก, ท, กทุกจุดเลยนะแต่สิ่งที่ลืมค้นก็คือใต้หมอนใต้เตียงของตัว เพราะอะไรนะวันนี้มันสะท้อนธรรมชาติคนเรานะก็คือว่าเรามักจะมองข้ามสิ่งใกล้ตัวแลยิ่งใกล้ตัวที่สุดก็ยิ่งมองข้ามสิ่งใกล้ตัวนี่ไม่ใช่เฉพาะสิ่งของหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่เรามีในตัวด้วยและสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือจิตใจนะคนเรานี่มองข้ามจิตใจตัวเองมาก วเวลาเรามีความทุกเนี่ยเราจะมองไปที่ภายนอกว่าคือตัวการของทุกข์เราไม่ค่อยมาหันประูใจของเราเท่าไหร่ว่าจริงๆเนี่ยใจของเราต้องถักนะที่มันเป็นตัวการเวลาเราโปวดเวลาเราเจ็บนะเราก็จะโทษสิ่งภายนอกโทษถนนนะโทษแดดนะโทษ คนที่อยู่ข้างๆโทษโทษคนที่อยู่ข้างหน้าแต่เราลืมดูใจของเราัจาใจของเราเนี่ยที่มันบน่นที่มันงอแ ง, งที่มันวอยวายที่มันหงุดหงิดนี่หละตัวนี้ต้องหาที่ทำให้คนเราทุกมากกว่าอย่างอื่นเวลามีอะไรมากระทบใจหรือกระทบกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกทันทีนะมันจะมีมันจะมีข้อตรงกลางมันจะมีข้อตรงกลางที่ เป็นตัวที่จะเชื่อมรอยให้ความทุกข์เนี่ยมันมาถึงใจเนี่ยเจอแดดเจอฝนเจอเสียงดังเนี่ยมันไม่ได้ทุกทันทีมันต้องผ่านข้อหรือผ่านสะพานให้ข้อหรือโซตรงกลางเนี่ยคืออะไรถ้าพูดอย่างง่ายก็คือความหลงลืมความไม่มีสติเมื่อไม่มีสติมีอะไรมากระทบปุ๊บมันก็แล่นตรงไปถึงใจทันที ถ้าเราอย่างอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเรื่องของปูดดานเสียงดังเสียงดังจากบ้านจากห้องข้างเคียงทำให้ลูกศิษย์นี่ลำคาญหงุดหงิดพ่อมาลบกวนหลวงพ่อที่กำลังหลับ ก, กำลังจำวัดแต่พอเขาบ่นให้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็พูดทันทีเลย ว, ว่าเขาเดวของเขา อ, อยู่ดีๆเราโอา้โหไปรองเกียพ่อเองเราโอาไปรองเกีย้ยพ่ออะไรพ่เราไม่มีสติ รองเท้าเสียงเกี๊ยมากระทบหูมันไม่ทุกทันทีนะมันต้องมีตัวตัวหลงตัวเหลื่อมตัวไม่มีสติถึงจะเดินเข้าไปถึงใจได้แต่ถ้าเรามีสติมันก็เหมือนกับเราชักสะพานออกหรือเหมือนกับว่าข้อตรงกลางเนี่ยมันหลุดเมื่อข้อตรงกลางมันหลุดนะความทุกหรือว่าเสียงที่มากระทบมันก็ไม่สามารถจะกระเทือนไปถึงใจได้ สภามาถูกชักออกแล้วเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงนะตรงตรงใจซึ่งเปรียบเสมือนกับเกาะที่อยู่ตรงกลางกลางคูน้ําัง้นเราต้องดูสติสําคัญมากสติอยู่ใน้าใจของเรานี่แหละดั้นเราต้องหัดมาดูใจของเราแถ้าเราดูใจแล้วเนี่ยนะมันจะชีวิตเราจะง่ายขึ้นเราจะทุกข์น้อยลงและการดูใจนี่มันเป็นสิ่งที่ทํากันได้นะฝึกฝนกันได้แม้แต่เด็กๆดนะ ให้มีเด็กๆมาธรรมธีตากันหลายคนมีมีเด็กคนหนึ่งนะแกชื่อประวานเป็นผู้ชายอายุอายุแค่สิบขวบวันหนึ่งก็ก็ถูกแม่ดุถูกแม่ดุธรรมดาเด็กถูกแม่ดุนะก็อาจจะเถียงเถียงแม่หรืออาจจะถึง ก, กับทะเลาะกับแม่ แต่ปาวา น, นี่พอถูกแม่ดุปาวานหน้าบึ้งแต่แทนที่จะเถียงหรือว่าโวยวายกับเดินออกเดินหนีเดินหนีแม่ก็สงสัยเอะปวานเดินหนีไปไหนแม่ก็เลยถามปาวานว่าจะไปไหนปะวานตอบว่าไปสงบสติอารมณ์นะปวานรู้ดีว่าตอนนี้กำลังทุกข์กลังโกรธอยู่ แล้วคนปกติเมื่อโกรธนะไม่รู้หรอกว่าโกรธคิดแต่จะระบายความโกรธใส่คนอื่นเชระบายใส่แม่ด้วยการเทียงหรือควารโมยวายแต่ประวันนี้เขารู้ว่าตอนนี้ใจกําลังโกรธแล้วเขารู้ว่าโกรธมันไม่ดีเขาก็เลยเดินหนีเพื่อไปสงบสติอารมณ์อันทีแสงเขาเริ่มเขาเห็นแล้วเออตัวการอยู่ที่ใจไอความ ไม่มีสติความโกรธนั่แหละที่ทำให้ใจทุกเขาก็เลยพยายามก็ไปจัดการที่ใจ น, น้องไอซนะ์นยอายุประมาณนี้แหละสี่ห้าขวบวิ่งสนุกแล้วก็วิ่งไปชนไปชนไปชนประตูกระจกนะประตูกระจกวิ่งชนดังตึงเสียงดังไปถึงหัวของแม่ซึ่งกำลังทำครัวอยู่ แม่ตกใจรีบวิ่งมาวิ่งมานี่จะเพราะว่าได้ยินเสียงร้องโอยด้วยนะของลูกวิ่งมาคงจะมาปลอะมาช่วยหรือว่าจะมาเยียวยาพอมาถึงก็กลับเห็นน้องน้องไอยนี่กาลังนั่งสมาธินั่งขัดสมาแล้วน้องไอ้ก็บอกว่าแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอยนี่นั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวก็หายนี่ ธรรมดาเด็กเนี่ยหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเวลาเดินหรือวิ่งชนกระจกนะอย่างแรกที่เรานึอถึงก็คือใครมาปิดกระจกวะใครมาปิดประตูอย่างนี้นะโทษคนน้นแหะโทษคนนี้แล้ะแล้วก็ระบายความโกรธความเกลียดใส่หรือไม่ก็ทาเรียกโทษใครก็ก็โกรธหรือเกลียดกระจกนะเตะกระจกนะแปลว่าน้องอายนี่ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลับมานั่งสมาธิเขารู้ว่าถ้าทำสมาธิแล้วความปวดมันจะทุเลาลงนะอันนี้เด็กเขารู้ได้เด็กอายุไม่กี่ขวบเองเขารู้ว่าแม้ปวดกายนั่งสมาธิก็หายหรือบันเทาเาาจะรู้ได้ซ้ำว่าเวลาปวดกายแล้วมันไม่ใช่ปวดกายมันปวดใจมันเกิดความทบมันเกิดโทสะขึ้นมาซึ่งซ้ำเติมให้ความ ปวดกายเนี่ยมันแรงขึ้นน้องไอ้ก็ จ, จะรู้ว่าถ้านั่งสมาธิแล้วมันช่วยระ ง, งับใจไม่ให้เกิดโทสะจึงก็ช่วยทำให้ความทุกข์กายมันเบาหรือก็จะเห็นไปด้วยว่าถ้าสมาธิแล้วทุกข์กายก็จะเบาลงด้วยนี่เป็นสิ่งที่ฝึกกันได้นะถ้าพ่อแม่อฉลาดก็ฝึกให้ลูกเขารู้อย่างนี้ได้แต่พวกเรานี้ก็ หลายคนก็โตแล้วนะเราต้องฝึกเองแล้วฝึกเองทํำยังไงก็ต้องมาฝึกกันแบบนี้แหละคือว่าใช้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ไม่มีใครอยากจะมาเจอความทุกข์นะแต่ว่าพอเมื่อทุกข์มันมาแล้วก็ต้องรู้จักใช้ใเป็นประโยชน์ก็คือใช้เป็นเครื่องฝึกสติอย่างนี้เรียกว่าทุกข์เป็นทุกข์เป็นถ้าทุกข์ไม่เป็นก็แย่ะฉะนั้นนีพวกเราอย่ายไปกลัวความทุกข์อย่ายไปกลัวความยากลําบาก นะเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องลําบากด้วยนะทําไมต้องอยู่ง่ายๆอยู่แบบเรียบง่ายทําไมไม่อยู่แบบรู้ราคานะเราก็มีกินมีใช้ทําไมไม่กินให้มันเต็มที่สนุกให้มันเต็มที่ก็เพราะมันจะทําให้เราอ่อนแอไม่ทําให้เราประมาทไม่ทําทให้เราทําให้เราปิดสบายจนกระทั่งท่าน ของความสบายและพอไม่สบายก็จะจะทุกข์กลายเป็นคนทุกข์ง่ายสุขยากเนะพอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอสบายเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่คือธรรมาชาติของความสะดวกสบายคือมันไม่มีลิมิตนะมันต้องการเรื่อยๆมันไม่เคยเกิดความรู้สึกพอสักทีแต่ถ้าเราฝึกใจให้มีสติเราก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพอ นะเมื่อไร่คนหยุดนะเราก็จะรับมือกับสิ่งต่างๆได้ก็กลายเป็นคนสุขง่ายทุกยากดัง <c oughs> นธรรมยตรานี่เราก็เดินทางกันมาวันที่หกแล้วนะอีกไม่นานก็ก็จะถึงที่หมายก็เป็นโอกาสเหลือไม่มากที่เองแตัวใครที่ยังทุกข์ใจอยู่กับความ ลำบากนะก็ลองดูใจของตัวเองใ ค, ใครที่รู้สึกว่าปรับตัวได้แล้วก็ลองเพิ่มความความลำบากให้มันมากขึ้นหน่อยเช่นคนที่เคยเคยซื้อขนมซื้อนอนซื้อนี่กินตามใจปากระหว่างทางหรือว่าเวลามาถึงที่ที่พักลองตั้งจิตดูว่าเออเราจะไม่ใช้เงินตลอดสองวันนี้จนถึงวันที่แด นะการตั้งจิตแบบ น, นี้เราเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอนะเดี๋ยวนี้คนไทยไปเข้าใจว่าอธิษฐานแปลว่าขอเลยขอกันใหญ่เลยอธิษฐานแปลว่าตั้งจิตมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะโดยโดยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่บอกแวรอธิษฐานว่าจะไม่ใช้เงินตลอดสองวันนี้จนกว่าจะถึงที่หมายดูซิว่ามันจะตายไหมนะหรือบางคนที่ เ, เริ่มปรับตัวความร้อนได้อารองนะ ลองถอดบวกดูนะถอดผ้าคลุมดูหรือใครที่ทา อ, อยู่แล้วก็ลองนะถอดรองเท้าดูมันก็เป็นการฝึกนะฝึกความกล้าด้วยการถอดรองเท้าก็ต้องอาศัยความกล้านะแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าถอดไปแล้วเดี๋ยวเกิดความหลงตัวลืมตนว่าโอฉันแน่กาคน ฉันเก่งกว่าคนใส่รองเท้านันนี้อาจจะเหมือนกับบางคนที่กินเจแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยประเสริฐกว่าคนไม่กินเจแล้วทําอย่างนี้มันก็จะทําให้แทนที่จะเป็นการลดการละตัวตนก็กลายเป็นการเพิ่มตัวตนเพื่อเพิ่มมนะันนะนะเพิ่มกิเลสเพิ่มมานะคือความถือตัวเหนือกว่าเก่งกว่าดีกว่า เราถอดรองเท้าไม่ใช่เพื่อเพื่ออวดใครไม่ได้เพื่อแข่งกับใครนะแต่เพื่อเพื่อถวนกระแสกิเลสแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราเหนือเขาเราก็กาลังโดนกิเลสเล่นงานกนะ็ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวนะก็ใส่รองเท้าก็ได้คนใส่รองเท้าต้องใช้ความกลา้าในการถอดรองเท้าได้ ส่วนคนถอดรองเท้าก็ต้องใช้ความกล้านะถึงจะใส่รองเท้าได้เพราะว่ามีกลัวเสียหน้า <c oughs> ใช่นี่มันกลับกันนะเพราะฉะั้นบางทีเราก็ต้องกล้านะบางทีเราเราไม่กล้าบางทีไม่ไหวอันนี้แสดงว่ากิเลสมันเล่นงานเราละเรากลัวเสียหน้าอันนี้ก็ไม่ถูกนะหรือว่าเรากลัวแพ้นะเราตั้ง็บว่าเนี่ยชนะคือถอดรองเท้าตลอด แพ้คืออใส่รองเท้ามันไม่ใช่ความพ่ายแพ้ถ้าจะใส่รองเท้าหรือถึงจะเป็นความพ่ายแพ้ก็ไม่เห็นเสียหายเพราะคนเราก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กั บ, กบความพ่ายแพ้ให้ได้ด้วยเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้แค่ชนะอย่างเดียวถ้าคนเราอยู่กับความพ่ายแพ้ไม่ได้นะก็อาจจะไม่กล้าทําอะไรเลยนี่ประการที่หนึ่ง คือคนหลายคนนี่ไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวแพนะ้แต่ถ้าเราไม่กลัวแพ้เราก็กล้าที่จะทําอะไรก็ไดนะ้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าชนะหรือแพ้สาเร็จล้มเหลวไม่สาคัญข้อสำคัญอยู่ที่ว่าทําให้เต็มที่ทําความเปลี่ยนให้เต็มที่ทํามยาตรานี้ถึงหรือไม่ถึงที่หมายไม่เป็นไรขอให้ทาเต็มที่นะ ถ้าคนที่อยู่ความแพ้แพ้ไม่ได้เนี่ยประการที่หนึ่งก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าทําอะไรเลยหรือประการที่สองก็กลายเป็นคนที่ เ, เรียกว่าดืด้านนะหรือว่าแข่งกับคนตลอดเวลาจนมรทั่งการคนหน้่าลังเกียจน่าละอายมันจะมีคนแบบนี้เยอะมากเลยคือทําอะไรฉันต้องเป็นโดนหนึ่งตลอดเวลานะวิจารไม่ได้ตําห น, น, นิไม่ได้เสนอแนะไม่ได้หลายคนเป็นคนเก่งนะแต่ว่าเป็นคนที่น่าเบือ่อหน้าละอายมาก เพราะเขาไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้ว่าชีวิตนี้มันเหมือนกีฬานะคือมันมีแพ้มีชนะเพาะฉะนัเราต้องการที่จะกล้าการที่จะยอมรับความแพ้แพ้ได้เราต้องใาศความกล้าไม่กลัวเสียหน้านทําผิดทำพลาดก็ยอมรับเออเป็นลายไปความกล้าในเราต้องกล้าทํากล้าทําสิ่งเหล่านี้ด้วยรวมทั้งกล้าขอโทษ นะกล้าขอโทษบางคนคิดว่าเป็นความาแพ้แพ้ถึงแม้จะเป็นความแพ้แพ้ก็ไม่น่าเสียหายมันการกล้าขอโทษที่มันช่วยมันช่วยลดอัตราไปได้เยอะการขอโทษเป็นความกล้านะไม่ใช่เป็นความอ่อนแอนะอย่างที่เมื่อวานนี้ก็ก็ได้แสดงให้เราเห็นว่านี้ต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะแม้ผู้ที่เราขอโทษจะเป็นวีดาบังเกิดกล้าบางทีก็ต้องอาศัยความกล้า อาตมาก็เวลาจะขอโทษพ่อนี่ต้องรบรวงความกล้ามาทะเลาะกันอย่างดุเดือดแล้วก็รู้ว่าเราผิดตอนนั้นเป็นค า, ารวะนี่ยระบรวงความกล้าไปขอโทษแต่ขอโทษแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเรารู้สึกสบายใจขึ้นและกิเลสมันฝ่อลงไปเลยมานั้นมันฝ่อลงไปเลยพอเราขอโทษเสร็จมันเลิกอาระวาดอย่างน้อยก็ช่วขนาดหนึ่ง เนี่ยเราต้องกล้าที่จะสู้กับกิเลสสู้กับมานะด้วยการทำในสิ่งที่มันไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการขอโทษหรือว่าการการที่จะเปลี่ยนมาทำสิ่งที่เราทางลกอาจจะมองว่าเป็นเป็นความอ่อนแอแต่ว่ามันคือความเข้มแข็งของใจของเราอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านนะวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนลอง ถ้าทายตัวเองทําสิ่งที่ยากขึ้นสําหรับคนที่ปรับตัวได้แล้วสาหรับคนที่ยังไม่ปรับตัวยังปรับตัวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะไม่ว่าจะท้อแค่ไหนก็ขอให้สูนะ้ท้อหลายครั้งแต่ไม่เลิกดีกว่าท้อครั้งเดียวแล้วเลิกนะอ่าแล้วก็ชาวนี้ก็พูดแบบนี้